อ่าพรอ้อย่าไปรีบร้อนแล้วก็อย่าไปคาดหมายแค่รู้ว่าเราทำหน้าที่มันมีกิจอย่างไรที่จะต้องทำแค่นั้นไม่ต้องไปคาดหวังคาดหมายว่าเราจะต้องได้อะไรจะต้องเป็นอะไรไม่ต้อง <c oughs> ตั้งกายให้ตรงดำรงสติอยู่เฉพานะหน้า ทำจิตผู้รู้โดยการยกจิตข้ามาสู่ช่องจมูกเด้วก็เฝ้าใช้ตัวรู้เฝ้าอยู่ที่ในช่องจมูกหายใจเข้าให้สุดหยุดการหายใจไว้ ตั้งใจว่าจะรู้สึกกับลมหายใจที่ไหลออกปล่อยลมหายใจให้ไหลออกพร้อมจิตเข้าไปรับรู้การกระทบของการไหลออกของลมหายใจนั้นหายใจออกรู้อยู่จุดเดียวจุดที่ลมกระทบที่ลมหายใจออกก็ครูดออกไป หายใจเข้าให้สุดหยุดการหายใจวายตั้งใจว่าจะรู้สึกกับลมหายใจที่ไหลออกปล่อยลมหายใจให้ไหลออกไปช้าๆพร้อมกับจิตเข้ารู้สึกต่อลมหายใจที่คลูดออกไปนั้นจากนั้นหายใจเข้ารู้สึกถึงลมที่กระทบแล้วก็รู้ลมที่ไหลเข้านั้น หรือจนสุดลมหายใจเข้าจิตผู้รู้ขว้าอยู่ในช่องจมูกซึ่งเรียกกันว่าเป็นนิมิตจากนั้นลมหายใจออกกระทบกับช่องจมูก รู้ลมที่กระทบนั้นคือจนถุดลมหายใจออกลมหายใจเข้ากระทบกับกายประสาทที่เป็นโพธภารมรู้ลมนั้นตั้งแต่ต้นลมกลางลม ตลอดสบายๆจนสุดลมหายใจเข้าแล้วก็รู้ลมออกตั้งแต่ต้นลมกลางลมปลายลมจนสุดลมหายใจที่ไหลออกอันเป็นลมโพธาพารมจนสุดลมหายใจออกแล้วก็รู้ลมเข้า จิตผู้รู้ที่ประกอบไปด้วยสติสัมปชัญญะได้ทําหน้าที่ตื่นขึ้นมาเพื่อรู้ลมออกลมข้าวนาจุดกระทบอันเป็นโพธพารมณ์ได้อย่างดีแล้วก็ทําหน้าที่อย่างนี้เป็นกิจการภาวนาตอนนี้มันเป็นเพียงแค่กิจเป็นหน้าที่ที่เราจะต้อง ทำด้วยการรู้ลมที่กระทบรู้โผตับพารมที่นิมิตเนจตสัพนีเรียกอย่างงี้หตัโผตับพารมที่นิมิตรู้ลมที่กระทบตามความยาวของลมนั้นนี่เป็นกิจสภาวะอื่นใดที่เขาเกิดขึ้นมานอกเหนือจากนี้เพียงแค่รู้และปล่อยออกไปเพราะมันไม่ใช่กิจ มันไม่ใช่กิดเราก็ปล่อยออกไปหายใจออกรู้หายใจเข้ารู้หายใจออกรู้ หายใจเข้ารู้รู้ที่โพธพารมนะที่คือลมที่กระทบทั้งออกและเข้าตามระยะเวลาของลมที่กระทบด้วยการลักษณะที่มันครูดออกไปที่มันครูดข้ามาให้สังเกตว่าจิตผู้รู้จะไม่วิ่งเข้าหรือวิ่งออก แต่เป็นไปได้ที่เขาจะหลุดไปรู้ตรงน้นเดี๋ยวไปรู้ตรงขาเดี๋ยวไปรู้ตรงหน้าเดี๋ยวไปรู้ข้างนอกลักษณะนี้เกิดขึ้นได้เสมอแต่เราก็แค่รู้แล้วก็ยกกลับมารู้ลมหายใจอะไรอะไรก็เกิดขึ้นได้ในเส้นทางของภาวนาแต่กิจคือการรู้ลมเป็นกิจที่เราจะต้องทําเพราะฉะนั้น มีสิ่งใดเกิดขึ้นก็ตามเราแค่รู้ในการปรากฏของสิ่งนั้นแล้วก็กลับมารู้ลมหายใจเพียงเท่านี้เป็นการติดกระดมเม็ดแรกของการอานาปานสติ เสียงที่มากระทบหูมันก็สามารถรู้ได้จิตผู้รู้ก็รู้แต่ว่ารู้เสร็จแล้วเราก็ปล่อยไปไม่ไท่ใจหันมาไปทำกิจรู้ลม พอจิตผู้รู้ก็าสามารถรู้ลมได้ตามการเวลาที่โผตับพารมดังนั้นแล้วจังหวะที่ลมหายใจเข้าแลิ่มมีจังหวะหยุดจิตรู้ก็จะหลุดออกไปเราก็ยกกลับมาสำรวม สํารวมตัวรู้ให้เข้ารู้อยู่บริเวณช่องจมูกที่เรียกกันว่านิมิตสํารวมตัวรู้เข้าอยู่ตรงนั้นพอลมหายใจไหลออกก็รู้พอลมหายใจไหลออกบางครั้งลมหายใจเข้าเกิดทันทีก็รู้พอลมหายใจเข้าสุดลมหายใจออกบางครั้งมันหยุด เราก็สํารวมตัวรู้ค้ามอยู่ที่ช่องจมูกตรงนิมิตนั้นนะพอลมหายใจออกมาก็รู้พอลมหายใจออกสุดลมหายใจยังเข้ายังไม่มามันหยุดอยู่ไม่ต้องรอไม่ต้องวิ่งหาให้สํารวมตัวรู้ค้ามอยู่ตรงที่ช่องจมูกนั้น เมื่อลมหายใจมาก็รู้ลมเข้าตามการเวลาณจุดที่ลมกระทบที่เรียกว่าโพตพารลมนั่นแหละดู้กันไปพอลมหายใจเข้าสุดลมที่ละเอียดขึ้นมาตัวรู้ที่มีกำลังขึ้นมันจะยืดระยะของการหยุดให้ยาวขึ้นเราก็สารวมตัวรู้เข้าอยู่ตรงช่องจมูกนั้น เมื่อลมหายใจออกมารู้ตามความยาวตามความนานของเวลาที่ลมคลูดออกไปลมที่คลุดออกคลูดข้าวที่กระทบตรงโผฏฐพารมอาจจะเล็กลงจุดกระทบจะเล็กลงคมชัด ก็เป็นปกติไม่ต้องไปสงสัยอะไรก็รู้ไปตามความเป็นจริงที่เขากระทบตามเวลาที่เขากระทบแล้วก็คลูดออกไปคลูดเข้ามาตามความเป็นจริงพอจิตผู้รู้ สามารถรู้โพธภปารมได้ชัดแคบลงคมให้สังเกตจิตจะเข้าสู่ความตื่นความง่วงก็จะเบาลง อะไรเกิดแค่รู้นะอย่าไปให้ความสำคัญแค่รู้แล้วปล่อยไป ผู้ที่ดูการเกิดดับก็ดูการเกิดดับของสิ่งที่ปรากฏไปถลมมันหยุดก็ไม่ต้องตกใจสํารวมจิตรู้ข้ามรู้อยู่ในบริเวณนิมิตที่เป็นช่องจมูกไม่ต้องรอลมหายใจไม่ต้องวิ่งหาลมหายใจเพราะ เขาอยู่เป็นธรรมชาติเขาจะออกเขาก็ออกเองเขาจะเข้าก็เข้าเองเมื่อลมสุดเกิดภาะวะลมหยุดก็สำรวมจิตรู้ข้าอยู่ที่นิมิตนั้น ถ้าจิตรู้ก็มีกำลังมากอย่าเทตัวรู้เข้าไปสู่โพฏฐาพรมมากให้เกาะรู้สบายๆถ้าเทตัวรู้มุ่งเข้าไปเพื่อที่จะรู้ที่โพฏฐาพรมมากมันก็จะกลายเป็นจงใจมากเกินไป รู้มีกำลังมากแต่ว่าที่เข้าไปแตะรู้อยู่ที่โพธารมนั้นเบาๆแผ่วๆได้ เวทนาที่เกิดถ้าก็มีกำลังน้อยกว่าจิตผู้รู้จิตผู้รู้แค่รู้แล้วก็วางไว้ตรงที่เขาเกิดเช่นเกิดที่หัวเขามีความปวดที่หัวเขาแต่จิตผู้รู้ก็มีกำลังมากกว่าเวทนาที่ปวดอยู่ที่หัวเขานั้นทำอร่อยจิตไม่ได้จิตผู้รู้เข้ารู้แล้วก็แคบ ป, ปล่อยเข้าไปแล้วก็เข้าไปสู่ลมหายใจ น้อน้มจิตรู้เข้าไปที่มือข้างขวาขยับปลายนิ้วมือขวาให้จิตรู้สึก ค, ค่อยยกมือขวาขึ้นไปวางไว้ที่เข่าข้างขวาน้มจิตรู้มาที่มือข้างซ้ายขยับปลายนิ้วมือซ้ายให้จิตรู้สึก ยกมือซ้ายขึ้นเลื่อนมือซ้ายไปวางไว้ที่ข่อซ้ายช้าช้าให้จิตรู้สึกยกมือสองข้างขึ้นมาประดมมือช้าชาน้อมจิตรู้ระลึกถึงบุญกุศลทั้งหมดที่ได้ทำมา ตั้งต้นตั้งแต่ว้ยพระสมถทานศีลศีลที่ตั้งใจรักษาดีแล้วตั้งแต่ข้อหนึ่งถึงข้อห้าได้ตั้งใจความทำอย่างดีตั้งแต่ทำภาคเช้าได้ตั้งใจปฏิบัติภาวนาตอนเช้า ได้วังทําตอนบ่ายนั่งภาวนาตอนบ่ายขอบุญทั้งหมดทั้งสิ้นนี้รวมเข้าไปตั้งไว้ที่ใจของเราหายใจเข้าพร้อมจิตผู้รู้ให้พลังของบุญทั้งหมดรวมไว้ที่ใจของตน จะตั้งความปรารถนาดีเพื่อให้กองพลังแห่งบุญนี้แผ่กระจายออกไปจากตัวของตนเป็นการแผ่กระจายในลักษณะที่เป็นวงกลมกระเพื่อมไปท่วมทัดสัมปัสั์ใต้ล่าทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่สัตว์น้ำสัตว์บกสัตว์มีเท้าสัตว์ไม่มีเท้าสัตว์ปีกสัตว์เลื้อยคลานสัตว์ที่เกิดอยู่ในกำเดิดทั้งสี่ทั้งสัตว์ที่เกิดในคันทั้งสัตว์ที่เกิดในไข่ทั้งสัตว์ที่เกิดในเท้าใครและสัตว์ที่เกิดผุดขึ้นไม่ว่าจะเป็นนรกเปรตอสุรกายเดรชาน หรือมนุษย์ทั่ ว, วไปหรือแม้แต่วิญญาณอันเป็นสัมภเวสีทั้งหลายตลอดจนถึงสวรรค์หกชั้นทพยาดาตั้งแต่สวรรค์ชั้ น, นจาตุมชั้นดาวดึงชั้นยามาชั้นดุสิตได้ชั้นนิมบรดี ชั้นปรมสิบกชั้นชั้นจุดภาวาสห้าชั้นรวมทั้งเทพยดากึ่งคนพันสัตว์เดรัจฉานที่มีฤทธิ์ในตำนานเช่นพญาครุฑพญานาคราช mm. เทพยดาที่อยู่ตามต้นไม้เช่นเป็นลุ ก, กเทวดาอยู่ตามพื้นดินเป็นปุมะเทวดา พยารากศสุกที่อาศัยน้ำอยู่ตามที่ต่างๆสัตว์ทั้งหมดทั้งหลายทั้งทิ้นที่กล่าวอ้างมานี้ทุกๆ ก, กําเดิดขอบุญเหล่านี้ที่ตั้งอยู่ที่ใจแผ่กระเพื่อมออกไปราดรถถึงสปปรรพสัตว์ทั้งหลาย สัตว์ใดที่มีทุกข์ก็ขอให้พ้นจากทุกข์สัตว์ใดที่มีสุขอยู่แล้วก็ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปขอกําลังแห่งบุญที่เราได้แผ่ไปนี้ด้วยอานาจแห่งความปรารถนาดีขอสัตว์เหล่านั้นได้มีโอกาสเกิดใหม่ได้ลกลายชิดประรตนรใจมีความเลื่อมใสในพระธรรมคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้บำเพ็ญบา ร, รมีทำคุณงามความดีเพื่อส่งตนเข้าสู่สัมมาสมาธิสัมมาญาณจนสามารถเข้าถึงพระนิพพานกันทุกรูปทุกนามยกจิตรู้กลับมาเข้าสู่ลมหายใจตามลมหายใจเข้าไปสู่ที่ใจของตน ให้จิตรู้สัมผัสกับพลังของบุญกุศลที่ตั้งอยู่ที่ใจกำลังของบุญกุศลที่ตั้งอยู่ที่ใจที่เราสามารถสัมผัสได้ให้ตั้งใจแผ่บุญกุศลนี้มุ่งเฉพาะไปบุปการีชนผู้เป็นบิดามารดาปู่ยาตายาย ญาติพี่น้องครูบาอาจารย์ที่มีพระคุณต่อเราถ้าท่านที่ละชีวิตไปแล้วเสียชีวิตไปแล้วไม่ว่าอยู่ในภพภูมิใดขอให้ได้รับบุญกุศล น, นี้แล้วให้นำบุญกุศล น, นี้ติดพบติดตัวไปเกิดใหม่ให้มีโอกาสได้พบพระพุทธศาสนากลาชิดพระรัตนาทร ให้มีความศรัทธาเลื่อมใสในคำสอนของพระพุทธเจ้าตราบจนถึงพระนิพพานถ้าท่านยังมีชีวิตอยู่ขอพลังแห่งบุญเหล่านี้จงเป็นบุญอุปธรรมคำจุนให้ท่านมีสุขภาพแข็งแรงปราศจากทุก ป, ปราศจากตรากโชอกปราศจากโรคภัยไข้เจ็บนานาประการ ให้มีความสุขกายสุขใจสกบกายส ก, กบใจให้ท่านได้มีโอกาสศรัทธาเลื่อมใสในพรนะรัตนตรัยปฏิบัติตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เกิดเป็นบุญเป็นกุศลด้วยตัวของตนเอง และด้วยพลังแห่งบุญกุศลนั้นก็ให้ท่านได้มีโอกาสก้าวถึงสุคติโลกสวรรค์และพระนิพพานใน อ, อนาคตเบื้องหน้านอมจิตกลับมาสู่ลมหายใจหายใจเข้ารู้ส่งตัวรู้เข้าไปที่ใจให้สัมผัสกับพลังของบุญกุศลเมื่อสัมผัสแล้วให้ตั้งจิต ปรารถนาแผ่ออกไปให้กับประภูมิเจ้าที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ตั้งหลายที่อยู่ในสถานทีน่นี้ที่เราได้มีโอกาสมาปฏิบัติธรรมให้ท่านเหล่านั้นได้มีโอกาสอนุมโบทนาชื่นชมยินดีในบุญกุศลที่พวกเราตั้งใจอุทิศให้แผ่ให้แล้วนี้ แล้วให้มีศรัทธาดำรงมั่นเป็นสัมมาทิฏฐิต่อสัมมาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ใกลชิดประรัตนะตรมีดวงจิตที่สว่างสวัยในการที่จะดำเดินไปตามคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในโอกาสต่อไป นอมจิตรู้เข้ามาสู่ลมหายใจหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้นอมไปที่ใบหน้านอมจิตรู้ไประลึกไปทั่วใบหน้าของตนเบื้องบนเป็นหน้าผากเบื้องล่างเป็นคางเบื้องขวาเป็นแก้มขวาเบื้องซ้ายเป็นแก้มซ้าย แล้วลึกจิตรู้เข้าไปทั่วบริเวณใบหน้านิ่งๆแล้วก็ประหกหน้านิดหนึ่งลืมตาออกจากสมาธิเอามือลงไอ้เก๋มันได้ทำหน้าที่ดีมากๆลนะความกตัญญูที่สูงที่สุดคือการนำพาบิดามาันดาใกล้ชิดกับไปรัตนตรัรย มันจึงเป็นการการันรตนยูที่สูงมากเรียกว่าเราจะแบกคุณพ่อคุณแม่ไว้บนบาให้ท่านถ่ายหนักถ่ายเบาใส่รถบาของเราตลอดชาติยังไม่สูงยังไม่มีคุณค่าเท่ากับได้ให้พ่อแม่เข้าไปใกล้ชิดพระรัตนาตรยัยได้ปัธธิภาปฏิบัติเลื่อมใสในคำสอนของพระสุมพุทธเจ้านี่ถือว่าเป็นกตัยูชั้นสูงที่สุด เพรเมื่อท่านดําเดินทางนี้แล้วท่านสามารถเข้าสู่ความพ้นทุกข์ได้อย่างในน้อยก็ได้บาเพ็ญบารมีสั่งสมไว้ในจิตของตนเป็นสมบัติติดตัวเป็นธรรมสมบัติให้เงินร้อยล้านพันล้านกับให้ใกล้ชิดกับพระรัตนใจนี่ให้เลือกร้อยล้านเลยดิเอาไว้้านไหมสิเอาไว้ล้านไหมสิแต่ว่า ไม่มีคุณค่าเท่ากับเปิดโอกาสให้เขาได้ใกล้ชิดกับรัตนาตรยัยเพราะเมื่อเขใกล้ชิดกับรัตนาตรัยมันจะเกิดฮีริโอตาปาเกิดความกลัวความเกรงกลัวต่อบาปแล้วก็เกิดความสำรวมเกิดระ ม, มัดระวังแล้วก็เกิดความมีศีลขึ้นมาเป็นศีลธรรมชาติศีลที่เป็นธรรมชาตินะั้นมันมั น, ม, นมันหายากถ้าใกล้ชิดพระรัตนาตรัยแล้วมันก็จะเกิด ศีลที่เป็นธรรมชาติเกิดด้วยอํานาจของศรัทธาที่มันไม่หวั่นไหวไอ้นี่เป็นทซั์เรียกว่าอาริยทรัพบเนีย่ยลูกทาําหน้าที่พาพ่อแม่มาได้แบบนี้นะถือว่าได้ทำหนา้าที่กตัญญูกตวเวทีอย่างสูงนะอย่างสูงพระพุทเจ้าจะทําให้ดูก่อนแล้วขนาดแม่ท่านไม่อยู่ไปอยู่ในสรรนชั้น ดุสิต ท, ท่านก็ยังตามไปตามไปเพื่อที่จะโปรดจนได้เป็นพระสโสดาบันคู่นี้เปินกับโยมโองไอมันก็จะทำหน้าที่กันไม่ใช่ว่าชมให้ไปยกครัวมาหมดเลยนะนี่ <c oughs> มันพูดเรื่องจริงนะ <c oughs> เออนุช ด, ด้วยนุชก็พาพ่อแม่ไปเริ่มและเริ่มโผลมา คือคือพูดอย่างนี้ไม่ได้ว่าให้พวกเราไปยกครัวมาหมดเลยนะหมายถึงพูดได้เห็นสิ่งที่ทําก็ถ้าว่าเราสามารถพาพ่อแม่มาใกล้ชิดพระรัตนตรัยได้โอ้ยชีวิตต่านก็จะมีความสุขถ้าไม่ใกล้ชิดพระรัตนตรัยนะชาวขึ้นมาก็เป็นทุกข์แล้วนั่งกังวลไอ้หลานคนโน้นไปยังไอ้ลูกคนนี้กลับมายัางแมวกินข้าวยังหมากินข้าวยัง ไ้กลางบนปิดได้ยังน้ำปิดได้ยังวุ่นไปหมดเลยทั้งวันไม่มีความสะบบทั้งๆที่บางทีอายุมากๆเนี่ยหกิบเจ็ดสิบยังอยากจะทำงานอยากจะรวยทั้งๆที่ทำไม่ตายทำมาทั้งชีวิตแล้วมันยังได้แค่นั้นะยังที่ตอนนั้นมีเรี่ยวมีแรงมีสติปัญญามีสมอง ใน้งเท่านั้นไอ้ตอนนี้ก็พักผ่อนแต่มันพักไม่ได้นะมันพักไม่ได้ถ้าตราบใดที่ยังไม่ได้ใกล้ชิดพระรัตนตรัยไม่มีวิชาของพระพุทธเจ้าไม่มีทางที่จะเข้าสู่ความจางคลายความปล่อยวางได้พอใกล้ชิดพระรัตนตรัยปล่อยวางได้แล้วมันจะมีความสุขเออนั่งมีความสุขอยู่กับสภาพเวคล้อมที่เป็นจริงอื แต่ก่อนนั่งคาดหวังไอ้ลูกคนนี้มันเมื่อไรมันจะแต่งงานสักทีเราก็จะได้หมดหวงไอ้ที่ทำก็ได้ใกล้ชิดพระพุทธเจ้ามันมันไม่กังวลนะไอ้คนนี้มันแต่งงานแล้วเมื่อไร่มันจะมีลูกสักทีนะเท่านั้มันดูแลมันยาวตอนยามันแก่เหมือนมันดูแลเราตอนไม่แต่งงานก็กังวลเมื่อไร่มันจะแต่งงานแต่งงานเสร็จเมื่อไร่มันจะมีลูกสักทีนะพอมีลูกเสร็จเอ๊ะทำไมไอ้ลูกมันทําไมมัน หัวคิเรื่อยนะเรียนก็ไม่ค่อยเก่งแล้วยอย่างนี้มันจะทํำยังไงอ่ะจะเอ็นติดไหมถ้าเอ็นไม่ติดแล้วต่อไปมันจะทํำยังไงเนี่ยปล่อยปรุงไปเรื่อยแต่ว่าพอรู้จักพระพุทธเจ้าใกล้ชิดพระรัตนตรยัยเดินตามวิชาพระพุทธเจ้ามันสบายมันปล่อยวางได้อืมันใครที่นําพ่อแม่มาอยู่ใกล้ชิดนําไปปฏิบตัติธรรมอยู่บ้านเนี่ย กาวตื่นขึ้นมาเปิดเสียงพระเทศสวดมนต์ในฟังเบาๆไม่ใช่ไปเปิดใส่ใชเต็มเหนี่ยวยข้างบ้านปลาหลังขาปลาบ้านมันไม่ไหวเหมือนกันนะเปิดเบาๆให้แกได้ยินในความสวดมนต์นะแล้วมนต์ที่ควรจะเปิดให้พ่อแม่ให้คนที่มีสติดีๆฟังคืออาการ3าสิบสอง อาญโกเบกายโยกายของเรานี้แหลอุดพังปะทะตลาเบื้องบนแต่พื้นเท้าขึ้นมาอาโทเกสมัตากาเบื้องต่ำแต่ปลายผมลงไป ตาจะปริยันโตมีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบปุโรณานับปการะาอาสุจิโดเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประกฏต่างต่างอธิมัตสมิงกายมีอยู่ในากายนี้ จาผมทั้งหลายโลมาคนทั้งหลายดันตาควันทั้งหลายตะโจนางมังสังเนื้อนาหาูเอน็นอัติกระดูกอัติมินยางเยื่อในกระดูก วักกลางมามหาตายังหัวใจยากการนังตับกิโลมากลางพังผืดปิหากลางตยปับผ้าสร้างปอดอันตังสายใหญ่อันตาคู่นางสายน้อย โอตาริยังอาหารใหม่การิสังอาหารเก่าปิดตังน้ำดีเสมหังน้ำสลิดปุปโปน้ำเลืองโลหิตังน้ำเลือดเสโตนะเสโตน้ำเงือเบโตน้ำมันค้น อาจุน้ำตาวะสาน้ำมันเลีวเอ๋เกโลน้ำลายสิกานิกาน้ำมูนละสิกานาน้ำไข่คอมุดตาน้ำมูดเอวะมายังเบกายโย กายของเรานีแลอุดทังปาทาตะลาเบื้องบนแต่พื้นเต้าขึ้นมาอโทเกสมัตะกาเบื้องต่ำแต่ปลายพมลงไตปตะจะปาริยันโตมีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบ ปุโรณานาปการัาชารุจินโตเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆดังนี้และเ <c oughs> <c oughs> นี่ยกูท้องกัไหมวะเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยเปิด พอเบาๆให้แกได้ยินเร็กๆแกอาจจะชอบไม่ชอ บ, ชอบแต่พราะเพราะอะไรหรือเปล่านี่พระพุทธเจ้าเรียกพุทธมนต์ว่เปิดปั๊บพอแกได้ยินปับ๊บมันจะน้อมเข้าไปตัวเองพอผมเกสาผมตั้งหลายมันผมตั้งหลายแกเข้าใจความหมายใช่ไหมเพราะผมอยู่ที่ไหนอยู่บนหัวของแกผมมันอยู่บนหัวของแก โลมาขนทั pouch, tree, wheels, life, ้งหลายขนอยู again, eks, margin kaikki, margin kami, Although, fortune, ่ที่ไหนอยู่ที่ตัวของแก่ทันตาควันทั้งหลายควันอยู่ที่ไหนอยู่ในปากของแก่คือพอทุกครั้งที่ได้ยินปั๊บตัวรูปมันของแกจะวิ่งเข้ามาที่ตัวของแก่รู้บ่อยๆรู้บ่อยๆรู้บ่อยๆรู้บ่อยๆควางบ่อยๆควางบ่อยๆเปิดได้ได้ยินบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆจนแกจําได้อ่ะ เปิดตุกวันคลอเบาๆสลับกับอ e ิทิปิโสอิติปิโสพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณเดี๋ยวนีก้ก็มีทํานองดีๆนะเปิดให้ฟังคนก็ไปหลงทํานองกันแหละหลงในทํานองเันไม่ได้ซึ้งจึงใจกับพระพุทธเจ้าเลยหลงพอไปเปิดถึงพระทานองโอ้ยไม่เอาไม่เอาควาอกอิติปิโจพระก e วาอารหังันไม่เอาเอาแบบไหนวะ อีติปิโซมันไม่ได้ซึ่งกับพระพุทธเจ้าเลยใช่ไหมมันไม่ได้ซึ่งมันไปติดอะไรไปหลงเพลิดเพลินกับกรรมมาคุณอย่างเดิมอ่ะอืม่นะ้นตัตันอยู่ก็นองบนุม์บทนานะคนที่พาแม่พาพ่อแม่มาเนี่ยแต่พูดอย่างนี้ไม่ใช่อันเดือนหน้ามากันยกครัวมาหมด อของเรามันเป็นอย่างนี้แหละเราเมื่ อ, อตอนเราเป็นลูกเราก็เข้าใจว่าการกระตันยูต่อพ่อแม่คือการโทรศัพท์ไปหาการให้เงินให้ทองการซื้อข้าวให้กินเจ็บป่วยพาไปหาหมอไอ้อย่างนั้นเขาไม่ได้เรียกกระตันยูนะอืมไม่ใช่กระตันยูเพราะว่า พาไปหาหมอนี่ก็ดีการให้กินข้าวก็ดีมันเป็นสัญชาติญาณของมนุษย์สยสัตว์ไม่แรงนะเป็นสัญชาติญาณของมนุษย์สยสัตว์ไอ้พวกค้ายาบ้าพวกติดยาติดเลยมันก็ทำมันก็ทำพวกโจรห้ารอยโจรปล้นแบ่งโจรไอ้ฆ่าปล้นฆ่าที่นู่นแต่กับพ่อแม่มันก็ทํา เหมยมันก็พาไปหาหมาเดี๋ยวมันก็ไปไอ้นี่เป็นธรรมชาติของมนุษย์สยศัตว์พี <c oughs> ่เคยได้ยินคำนี้จับไว้มันเป็นธรรมชาติของมนุษย์สยศัตว์ที่ทำกันมนุษย์คนดีที่จะกาตัญอูกับเตเวทีมันจะต้องสูงกว่านั้นอืม <c oughs> จนสูงถึงขนาดที่มีความรู้สึกว่าทำอย่างไรนาะที่จะให้พ่อกับแม่ของเรา ท่านได้พ้นจากความทุกข์ทั้งปวงได้ตามที่พระพุทธเจ้าสอนถ้ามันมีความรู้สึกอย่างนี้แล้วมันจะค่อยๆมีกําลังในการพยายามทีละนิดทีละหน่อยทีละนิดทีละหน่อยเปิดให้ความพุทธมนต์อาการทรามสิบสองว่างๆก็พาไปวดัดไปเวียนเทียนวัดทางบ้านตักบาตรทาบุญตักบาตรอย่างเงี้คยค่อยๆค่อยๆค่อยๆค่อยๆค่อยๆได้ทำได้เมื่อใดเมื่อนั้น ก็จะเรียกว่าได้ทำรักตอบแทนบุญคุณอย่างสูงอแต่เราเองก็จะสบายใจนะวันหนึ่งเราเปิดเปิดไอ้เกสความทุก ว, วันทุก ว, วันทุก ว, วันวันไหนที่เราลืมเปิดหรือใครลืมเปิดเช้าขึ้นมาเห็นพ่อเห็นแม่หุ่หินเดิน ห, ดหุ่นก็ว่าทอไมอ้อวติดพุทธมนต์แล้วอืมเรื่องอย่างนี้ก็เป็นเรื่องที่ดี ควร ก, กการอนุโมทานี่ประกาศหนึ่งอีกประการหนึ่ ง, กกนนงยกประโยคเมื่อเช้าที่นำมาพูดว่านาตาวะพิกเวอกุศลสะโหติว่าอากุศลมันจะมีขึ้นไม่ได้นะเมื่อมีศรัทธาตั้งมัน่นอกุศลมันจะมีขึ้นไม่ได้เมื่อมีฮิริตั้งมัน่น อกุศนมันจะมีขึ้นไม่ได้เมื่อมีโอตาปาตั้งมัน่นอกุศลจะมีขึ้นไม่ได้เมื่อมีความเพียรตั้งมัน่นอากุศลมันจะเกิดขึ้นไม่ได้เมื่อมีปัญญาตั้งมัน่นทั้งหมดนี้ความตั้งมั่นทั้งบทนี้รวมลงที่สติตั้งมัน่นสติตั้งมั่นคือตัวผู้รู้ที่เรารู้ลมหายใจ เมื่อเรารู้สึกกับลมหายใจลมออกตามการเวลาที่โผตพารณ์มันไม่กวัดแก่งไม่มีการกระสับกระส่ายในจิตผู้รู้จะประกอบด้วยสองส่วนคือสติกับสัมปชัญญะถ้าเขาประคองรู้ต่อโผตพารล์ต่อเนื่องไปเรื่อยๆจะเกิดองค์ประกอบอาตาปีสัมปชาโดสติมาปิเนยโลเกออภิชาโทมณสัง คือมันจะเกิดเป็นความเพียรที่แผดเผามันจะเกิดเป็นสามีสติเกิดธรรมัญญะเกิดการหยุดไม่กัดแกวงไปทางอภิชาได้โทมานัทคือมันหยุดความเสียใจหยุดความพอใจได้ในขณะนั้นนี่จิตผู้รู้พอก็เป็นแบบนี้เขาก็จะไม่ไปยินดีในอกุศล จิตผุ้รู้ตัวนี้จะไม่ไปซ่องเสพอกุศลแม่มีอะไรมากระทบเกิดเป็นอกุศลแล้จิตขึ้นมันจะมีโอตาปะมันเป็นชั้นชัคัดกรองอันแรกเนี่ยถ้ามันเกิดจากภายในอะไรกระทบแล้ถ้ามันเกิดจะเป็นอกุศลขึ้นมามันจะละอายมันไม่เกิดถ้ามันเกิดอกุศลจากภายนอกมากระทบปั๊บมันจะให้เกิดอกุศลมันก็จะเกรงกลัวอกุศลมันรู้สึกอกุศลแต่ละตัวเหมือนสิ่งสกปรกที่จะเข้ามาแปดเปื้อนจิต ที่เป็นอุตปานะมันจะรู้สึกกลัวกลัวอะไรกลัวว่าจิตมันจะ ส, สกระปรกแปรเปืี่นไปกับอกุศลที่กำลังจะเกิดมันเลยไม่เอาไม่เสพตัวจิตผู้รู้สำคัญมากนะแล้วก็อภิชาโทมนัตคือความรักความชัง ความดีใจความเสียใจมันถูกหยุดไว้ชั่วขณะในขณะที่จิตผู้รู้อยู่ที่โผฏฐาพรมมันไม่มีอะไรที่จะต้องไปอะไรใหญ่ดีมันไม่มีอะไรต้องไปเสียใจในขณะที่จิตผู้รู้ไปรู้อยู่กับโผฏฐาพรมอันนี้มันจะทำให้มันหยุดถอนอภิชาและโทมนตสในระหว่างนั้นด้วยและการให้จิตมีความประสบการณ์ในการถอนโทมนต อภิชาได้ทวงมนตในละดับขณะนั้นเนี่ยมันทําให้เป็นการต่อเนื่องของความเพียรเป็นการต่อเนื่องของหิริโอตาปะเป็นความต่อเนื่องของความศรัทธาแล้วก็ทําให้เกิดการต่อเนื่องชนิดที่เรียกรู้เท่าทันมันเลยทําให้มีอกุศลเกิดขึ้นยากและทําอย่างนี้บ่อยๆเมื่อเรา ออกไปสู่โลกแบบลืมตาออกสู่ความจริงนลวความจริงคืออะไรความจริงก็คือว่าในยามที่เราต้องเดินไปด้วยเขียโทรศัพท์ไปด้วยขับรถไปด้วยต้องขับรถไปด้วยต้องพูดให้มันโทรศัพท์มันควังเพื่อให้มันพิมพ์แทนด้วยอะไรเงี้ยนั่นคือโลกของความเป็นจริงขับรถไปด้วยต้องต้องคุยตอบคาถามลูกค้าด้วยออขับรถไปด้วย ต้องคำนวณที่จะต้องไปจ่ายหนี้แบ่งด้วยอะไรเงี้ยขับรถไปด้วยต้องไปไปเจอในอยู่บนถนนเอ้ารถเกิดอุบัติเหตุต้องไปเคลียร์ไปคุยเงี้ยนี่คือโลกของความเป็นจริงจิตผู้รู้ที่เรารู้โผตพารมพอเขาเจอเหตุการณ์แบบนี้ให้เขาออกไปดูแลให้เขาไปดูแลดูแลแล้วมันจะไม่เสพอกุศล น, นะอืไม่เสพอกุศนแม้แต่ความหุดหงิด ที่มันเกิดก็จะเกิดได้ยากขึ้นในโลกของความเป็นจริงแต่ถ้างอากุศนเกิดยากจิตจะโปร่งโล่งเบาสบายการเข้าสมาธิการเข้าอานานิ่งง่ายเกิดเกิตัวช่วยจากโลกข้างนอกนะช่วยจากโลกข้างนอกเราให้ทานก็ดีให้อาหารหมาแมวก็ดีช่วยเหลือคนแก่คนชาราก็ดีทำความดีทั้งหมดในโลกข้างนอก มันจะรวมตกเป็นตะกรอนเพื่อที่จะขับกลอมแล้วก็เหมือนกับเพลงขับกลอมอะให้จิตเข้าสู่สมาธิได้ง่ายขึ้นง่ายขึ้นง่ายขึ้นนะเอาพอสมควรแก่เวลา